Book 2 6ห6สิห้าเซ s เดสมการปฏิเสธสองนัวเลียกแหวนวงนี้แพงไหมคะไอิรดาไม่ค่ะ แหวนวงนี้ราคาเพียงหนึ่งร้อยยูโรเน่ดัสมักซ่าติเก้ซิมต์เอโรแต่ดิฉันมีแค่ห้าสิบเท่านั้นค่ะเบตแมนอิรติกายปีดสมิคุณเสร็จแล้วใช่ไหมไวตุยบ์เอสิกัตตาวไม่ยังไม่เสร็จค่ะ เน่เวลเน่แต่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วค่ะ late, b บ t e s ส o ูล a d bu su g a t ตาวอคุณอยากได้ซุปเพิ่มไหมคะ Vai tu vel v e l สซุป well, well p ไม่ดิฉันไม่อยากได้เพิ่มแล้วค่ะเน่ไวยรักเนกริบุแต่ขอไอศกรีมอีกถ้วยค่ะ คุณอยู ka, ่ที่นี่นานแล้วหรือยังคะไวตัวเหวี่ย tu ซ็นเตจัวไม่ค่ะเพิ่งเดือนเดียวแน่ที่เคยไม่ไหสแต่ดิฉันรู้จักคนเยอะแล้ว p e t เอ p a าซ u สตุยา u ดาอุจุสซิ v วา u s ส คุณจะขับรถกลับบ้านพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ Vittu a rit b ā r a u e t m ā j ā s ไม่ค่ะจะไปตอนเสาร์อาทิตย์เน่ติ๊กเก้นเน่เดย์ยัสแต่วันอาทิตย์ดิฉันจะกลับมาแล้วล่ะค่ะ Bet e s a t g r i e z ī i o s j a u s v ē r d i e n ลูกสาวของคุณเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ไหมคะไวต้วเมิตอิรยาบปียวกุสิไม่ใช่ค่ะลูกดิฉันเพิ่องอายุสิบเจ็ดปีเน่วิญาณอิรติกาเซชปัมิแต่เธอมีแฟนแล้วนะเบ็ตวิญาณอิรยาบดรากส